วันนี้เราก็มากับการแปรปรวนของอากาศชีวิตของเราก็เหมือนกับอากาศบางวันก็แจ่มใสบางวันก็มีพายุฝนพายุลมเข้ามากระหนำ่ำต่อชีวิตของเราเป็นเรื่องปกติธรรมด า, ถ, าถ้าเกิดแล้ว ยอมต้องมาประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่คนที่มาเกิดจะต้องยอมรับกันทุกคนถ้ารับได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ารับไม่ได้ก็จะ ไม่มีความสุขจะวุ่นวายจะทุกข์ทรมานใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรายอมรับกับสภาพของความเป็นจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะเจริญหรือจะเสื่อมจะเกิดหรือจะดับก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไป ควบคุมบังคับได้สิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมบังคับได้ก็คือใจของเราถ้าเราควบคุมบังคับใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือ เหตุการณ์ที่ไม่ดีก็ตา ม, มเพราใจไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นใจเป็นเพียงผู้รับรู้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือร่างกายแต่ร่างกายเขาก็ไม่มีการรับรู้ร่างกายเขาเป็นเหมือนกับศาลาหลังนี้เวลาฝนตก ศาลาก็ไม่รู้ว่าฝนตกแต่คนที่อยู่ในศาลาคือใจที่รับรู้เรื่องของร่างกายนี้เป็นผู้รู้แต่ผู้ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ที่นั่งอยู่ในศาลานี้ก็ไม่ได้เปียกฝนเหมือนกับหลังคาของศาลาห ล, าหลังนี้ แต่หลังคาของศาลานี้เขาไม่เดือดร้อนฝนตกก็ตกไปเปรียกก็เปรียกไปคนที่อยู่ในศาลาถ้าไม่ต้องการให้ฝนตกต้องการให้ฝนหยุดก็จะเกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้ต้องการฝนจะตกก็ไปก็ตกไป เพราะว่าไปห้ามเขาไม่ได้เป็นห่างขาไม่ได้ใจก็จะไม่เดือดร้อนอย่างตอนนี้พวกเรานั่งอยู่ในศาลาเราก็ไม่เดือดร้อนกับการตกของฝนฝนจะตกก็ปล่อยเขาตกไปถ้าเราอยากจะให้เขาหยุดเราก็จะเดือดร้อนดังนั้นเราต้องฝึกทำใจ <Ja. i S 1> ให้รับรู้เฉยๆนี่คือธรรมชาติของใจที่จะทําให้ใจไม่เดือดร้อนทําให้ใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆคือให้สัตว์แต่ว่ารู้นี่ให้รับรู้เฉยๆอย่าไปรู้แล้ววิภาควิจารณ์สิ่งที่รับรู้แล้วก็เกิดความหยาดตามมา เห็รับรู้แล้ววิภากษวิจารว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็จะเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความเดืเอดร้อนใจขึ้นมาปัญหาของใจก็คือไม่รู้ว่า ความสุขที่แท้จริงของใจคือการรับรู้เฉยๆคือการปล่อยวางรับรู้แล้วก็ปล่อยวางเห็นแล้วก็ปล่อยวางได้ยินแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เกิดเขาก็เกิดแล้วเขาก็ผ่านไปสิ่งที่ดับเขาดับแล้วมันก็ผ่านไปแต่ผู้รับรู้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมผู้รับรู้คือใจนี้ไม่มีวันดับไม่มีวันตาย แต่มีวันสุขหรือมีวันทุกข์วันสุขก็คือวันที่ใจปล่อยวางใจไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้วันทุกข์ก็คือวันที่ใจเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นบางที่ใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีแต่วันสุขไม่มีวันทุกข์เราก็ต้องสารใจให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปวิพากษาา์วิจารณ์ว่าดีหรือไม่ดีเ mm. ขาจะดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่มีวันที่จะทำร้ายเราได้เขาไม่มีวันที่จะทําให้เราดีขึ้นมาได้ เไม่มีวันที่จะทำให้เราเร็วลงไปได้เสียงที่จะทำให้เรา เ, ลลไไเร็วหรือดีขึ้นไปก็คืออยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ว่าเราหยุดความวิพากวิจารได้หรือเปล่าหยุดความอยากได้หรือเปล่าถ้าเราหยุดได้เราก็จะดีเราก็จะสบายถ้าเราหยุดไม่ได้เราก็จะทุกข์เราก็จะวุ่นวายใจ เมืวันนี้พวกเราที่ทุกข์กันวุ่นวายจันก็เพราะว่าเราวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวิาพากษ์วิจาร์ว่าดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างแล้วก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าดีก็อยากจะให้เป็นต่อเนื่งานถ้าไม่ดีก็อยากจะให้หมดไปเร็วๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเขาไม่อยู่ภายใต้ คำนาทของเราคําสั่งของเราว่าให้หมดไปหรือให้อยู่ไปนานๆได้เขามีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขามาพอเหตุปัจจัยที่ทําให้เขามาหมดไปเขาก็หายไปเองเช่นฝนฟ้าอากาศตอนนี้ก็มีเหตุปัจจัยทําให้เขาเป็นอย่างนี้พอเหตุปัจจัยนั้นหมดไปเขาก็หายไป ดังนั้นเราต้องเข้าใจถึงสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์ไปเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่า เราไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งต่างๆวันนี้เราอาจจะคิดว่าเราได้เช่นเวลาเราได้ข้าวของมาได้เงินทองมาได้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาแต่ความจริงเราเพียงแต่รับรู้เรื่องของการได้ของการเสียเท่านั้นของเขาก็มีอยู่อย่างนี้ของเขาเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเราได้ร่างกายมา เดี๋ยวร่างกายก็หมดไปเราได้ร่างกายของคนอื่นมาเดี๋ยวร่างกายของคนอื่นก็หมดไปเช่นร่างกายของสามีร่างกายของภรรยาร่างกายของลูกได้เของมาเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของแต่เขาไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องไปตามเวลาของเขาร่างกายของเราก็ต้องไปตามเวลาของเขา นี่คือความจริงของโลกนี้ที่เรามารับรู้แตเราไม่รับรู้เฉยๆเรารับรู้แล้วเราหลงกับสิ่งที่เรารับรับมาดีใจเสียใจกับสิ่งที่เรารับมาถ้าสิ่งที่เราชอบเราได้มาเราก็ดีใจถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบได้มาเราก็เสียใจ ถ้าสิ่งที่เราชอบหมดไปเราก็เสียใจ mm. ถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบหมดไปเราก็ดีใจ mm. ก็มีเท่านั้นชีวิตของเราความจริงมีแค่ดีใจเสียใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆ mm. แต่เราไม่มีเราไม่ได้อะไรเป็นของเรา mm. ไม่มีอะไรที่เราสามารถบอกว่าเป็นของเราได้ วันเวลาจะพิสูจน์ความจริงอันนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มามันจะต้องหมดไปในที่สุดดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาหรือเสียไปถ้าเราฝึกใจสอนใจให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็ต้องมีไปให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เราไม่สามารถไปสั่งการไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะรู้เฉยๆได้ศัพท์แต่ว่ารู้ได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถรู้เฉยๆได้ก็เป็นเพราะว่ามีความอยากที่มีมีกำลังมากอยู่ภายในใจของเราอยู่ ความอยากความหลงคือการความวิพากวิจารสิ่งต่างๆยังไม่ยอมหยุดทำงานเราจึงต้องมาหยุดการทำงานของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อนหยุดการวิพากวิจารหยุดการอยากต่างๆด้วยการทาใจให้สงบก่อนอพอใจสงบแล้วใจก็จะสักแต่ว่ารู้ การวิาพากษ์วิจารณ์ก็จะระ ง, งับตัวลงไปความอยาของต่างก็จะระ ง, งับตัวลงไปเหลือแต่ความว่างเฉยเหลือแต่ความสุดอันนี้แหละเป็นจุดที่เราควรจะเข้าไปให้ถึงก่อนเพราะถ้าเราเข้าถึงจุดนี้แล้ว เราก็จะสามารถใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันนี้เช่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับทุกสิ่งทุกอย่างเราควบคุมบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราเข้าถึงจุดที่เรา สามารถควบคุมความอยากได้ควบคุมความวิภาควิจารได้เราก็สามารถเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจได้สอนใจให้รู้เฉยๆให้หยุดวิภาควิจารให้หยุดความอยากต่างๆ้าเราหยุดได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือดับไปอะไรจะเกิดก็รู้เฉยๆอะไรจะดับก็รู้เฉยๆรู้ว่าสิ่งที่เกิดที่ดับนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่เกิดไม่ดับไปกับสิ่งต่างๆเราเพียงแต่เป็นผู้รับรู้เท่านั้นเองนี่คือถ้าเราฉลาดถ้าเรามีความรู้ที่พระเจ้าทรงสั่งสอน มาคอยกำกับควบคุมใจของเราเราจะสามารถทำให้ใจนี้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการเกิดกับการดัดของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขและจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ยึดไม่ติด จะไม่หาสิ่งต่างๆอีกต่อไปถ้าร่างกายนี้ถึงวาะที่จะหยุดทำ ง, งานก็จะหยุดการแสวงหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายต่อไปองเชญขึ้นมาเลยขยับเข้ามาหน่อยก็ได้อะใครเปิดทางให้เร้ยขยับ้ามาที่ตรงไหนว่างก็ ถ้ามาใกล้ชิดเลยก็ได้ไม่เปลนไนะถ้ามาใกล้ๆวันนี้ฝนตกก็เลยต้องม า, มานั่งใกล้ชิดกันธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีไว้เพื่อสอนใจ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเดือดร้อนใจเพราะว่าจะสอนให้ใจรู้ว่าใจนั้นไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายจะเป็นอะไร ใจก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายใจก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เพิ่งเกิดใหม่ๆตอนที่ออกจากท้องแม่มาใหม่ๆเหมือนตอนที่ยังไม่มีร่างกายใจไม่มีร่างกายใจก็อยู่มาได้มาก่อนการที่จะมาได้ร่างกายนี้ใจอยู่อยู่กับอะไร ใจก็อยู่กับบุญกับบาปที่ทําไว้ในอนดีตถ้าอยู่กับบุญก็อยู่อย่างมีความสุขเหมือนกับได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ไปรับประทานได้ไปดื่มได้ไปดูได้ไปฟังสิ่งต่างๆที่เพลิดเพลินใจถ้าอยู่กับบาป ก็อยู่กับความร้อนอยู่กับความทุกข์อยู่กับความวุ่นวายใจอยู่กับเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวอยู่กับเหตุการณ์ที่ทุกข์ทรมานยากลำบากนี่คือผลของบุญของบาปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจไม่มีร่างกาย ช่วงช่วงต่อระหว่างร่างกายกับอีกร่างกายหนึ่งเป็นช่วงที่ใจต้องรับผลบุญผลบาปถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับตอนที่เรานอ น, อนหลับไปช่วงนั้นก็เป็นเหมือนช่วงที่ร่างกายไม่มีเวลาเรานอนหลับใจไม่ได้ใช้ร่างกายทําหน้าที่อะไรต่างๆตอนนั้นใจก็จะ เข้าสู่ความฝันถ้ามีบุญเป็นผู้ผลักดันความฝันก็จะฝันดีฝันว่าได้ดูได้ฟังได้เห็นได้ดื่มได้รับประทานได้ไปเที่ยวได้พบปะกับสิ่งต่างๆที่น่าชื่นชมยินดีถ้าบาปเป็นผู้ผลับดันให้ฝันก็จะฝันแต่เรื่องเลวร้ายต่างๆ เรื่องน้ากลัวเรื่องศูญเสียเรื่องค่าฟันเรื่องอะไรต่างๆอันนี้เป็นช่วงที่ใจอยู่ตามลำพังไม่ได้ใช้ร่างกายแต่ความฝันนี้มันเป็นเพียงเหมือนกับภาพยนต์ตัวอย่างของบุญและของบาป ท, ที่เราทำไว้เท่านั้นเพราะว่าไม่นาน ร่างกายก็ตื่นขึ้นมาใจก็จต้องกลับเข้ามารับรู้เรื่องราวผ่านทางร่างกายต่อไปก็เหมือนกลับมาเกิดใหม่แต่ยังเกิดในร่างกายอันเดิมอยู่ตายจากร่างกายอันเดิมตอนที่นอนหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็เกิดใหม่กับร่างกายอันเก่านี้เราจรึงไม่คิดว่าเราตายไปแล้วเกิดใหม่เพราะว่าเรายังได้ร่างกาย อันเดิมอยู่แต่ความจริงก็เป็นเหมือนกับการตายกับการเกิดเพียงแต่ระยะช่วงเวลาระหว่างตายแล้วกลับมาเกิดใหมน่นี้มันไม่กี่ชั่วโมงนอกจากคนที่สลบสลายนะไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บถ้าก็อาจจะตายไปหลายวันสลบสลายนอนหลับไปหลายวันกว่าจะฟื้นกล่าจะเื่นขึ้นมา แต่มันก็เหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่เพียงแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นหนังตัวอย่างของการตายและการเกิดแล้วก็เป็นหนังตัวอย่างของการไปสวรรค์หรือไปนรกถ้าฝันดีก็ไปสวรรค์ถ้าฝันร้ายก็ไปนรกถ้าฝันดีฝันร้ายก็อยู่ที่การกระทาของเราในปัจจุบันถ้าเราทำดี ทำบุญมีความเมตตาเราก็จะฝันดีถ้าเราทำบาปมีความโหดร้ายทารุณตายเราก็จะฝันร้ายถ้าร่างกายนี้ไม่ถ้าตายถ้าร่างกายนี้ตายไปจริงๆคือไม่เต่นขึ้นมาแล้วหมดลมหายใจใจก็จะต้องฝันไปเป็นเวลาอันยาวนานกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ ต้องแรงของบุญหรือของบาปนี้ต้องหมดไปเสียก่อนคือเรามีทั้งแรงบุญและแรงบาปเวลาที่เราตายนี้แรงบุญก็มีแรงบาปก็มีอยู่ที่ว่าแรงไหนจะมีกำลังมากกว่ากันเช่นสมมติว่าเรามีบุญมีกำลังอยู่ร้อยหนึ่งบาปมีกำลังอยู่ห้าสิบ อย่างนี้เราก็จะมีบวกห้าสิบเราก็จะไปสวรรค์ได้ห้าสิบพอบุญที่ไปใช้ในสวรรค์หมดลงมาเหลือห้าสิบเท่ากับบาบุญก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้เพราะบาปจะดึงให้ไปทางนรกแต่บาปก็ดึงไปไม่ได้เพราะบุญก็มีกําลังเท่ากับบาบตอนนั้นบาบกับบุญก็มีกําลังเท่ากันห้าสิบห้าสิบ ตอนนั้นก็กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในทางตรงกันข้ามถ้าบาปมีร้อยบุญมีห้าสิบเวลาตายไปนี้บาปก็จะดึงไปให้ไปใช้กรรมในอบายจนกว่าบุญกับบาปจะมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในอบายได้ก็มาอยู่กองกลาง กองการก็คือรบชาติของมนุษย์นี่เองก็งจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ได้หมายความว่าบุญหมดไปหรือบาปหมดไปเพียงแต่ว่าบุญกับบาปช่วงนั้นมันมีกำลังเท่ากันอยู่ก็<อ>เลยกลับมาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ต่ อ, อแล้วพอตายไปก็ <S <S ดูบัญชีของบุญกับบาปว่าใครจะมีกำลังมากกว่ากันยกตัวอย่างใน สมัยพุทธกาลองคุลิมานี้สร้างบาปไว้เยอะฆ่าคนถึงเก้า้อยเก้าสิบคนบาปนี้มากมากกว่าบุญที่ได้ทำมาถ้าตายไปตอนนั้นก็จะต้องไปนรกไปใช้กรรมในนรกอย่างแน่นอนแต่พอดีโชคดีได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเตือนสติว่าการทำบาปไม่ได้เป็นการทำให้ตนเองไปสวรรค์หรือบรรลุพระนิพพานได้ การที่จะบรรลุพระนิพพานได้ต้องหยุดการกระทำบาปต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงพอองคุลัยมาได้ฟังก็นำเอาไปปฏิบัติจนสามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงได้หมดบุญที่ได้จากการหยุดความโลภความโกรธความหลงบุญที่ได้พระนิพพานนี้มีกำลังมากกว่าบาปที่ได้สร้างไว ได้ทําไว้ที่เกิดจากการฆ่าผู้อืนถึง999คนด้วยกันจึงทำให้ใจขององค์โคลมาไม่ต้องไปใช้กรรมในนรกตายไปก็อยู่ในพระนิพพานไปพระนิพพานก็เป็นที่หยุดของใจเป็นที่จอดรถคือไม่วิ่งอีกต่อไปรถไม่วิ่ง เมื่อรถไม่วิ่งตำรวจก็ไม่สามารถมาตามจับได้ถ้าเราออกไปขับรถบนท้องถนนเดี๋ยวตำรวจเห็นรถเราจำเบอร์ทะเบียนได้ว่าเคยไปชนคนนั้นชนคนนี้เคยไปฝ่าไฟแดงเขาก็จะเรียกจับไปลงโทษได้แต่ถ้ารถจอดอยู่ในบ้านเขามองไม่เห็นเขาก็จับเราไมา่ได้ ผู้ที่ไปถึงนิพพานแล้วก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมอีกต่อไปองคุลีมาจึงไม่ต้องไปเกิดในบาปไปใช้กรรมอันนี้เป็นตัวอย่างของกําลังของบุญที่มีมากกว่ากําลังของบาปถึงแม่บาปจะทํามาอย่างร้ายแรงถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครั้งด้วยกันแต่ก็สู้บุญที่ได้จากการไปถึงพระนิพพานไม่ได้ ถ้าถึงท่านนิพพานแล้วก็ไม่ต้องไปใช้กรรมที่ไหนอต่อไปไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปรับผลบุญเพราะผลบุญที่ได้สู้บบุญที่ได้จากท่านนิพพานไม่ได้ส่วนตัวอย่างของผู้ที่ทำบาปมากกว่าบุญเช่นพระเทวทัตพระเทวทัตก็ได้ออกบวชได้รักษาศีลได้เจริญสมาธิ ได้บรลลุอธิริศอภินยาต่างๆอันนี้ก็เป็นบุญมากแต่ก็ไม่มากเท่ากับบาปที่เทวทัตได้ทำไว้ก็คือพยายามตรงพระชนของพระพทเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันอันนี้ถือว่าเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดเป็นอนันตาริยกรรมพอ ต, ตายไปบาปนี้มีกำลังมากกว่า ก็เลยฉุดกให้เทวทัตนี้ต้องไปเกิดต้องไปรับผลบาปในนรกจนกว่าผลบาปกับผลบุญจะมีกำลังเท่ากันเทวทัตก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะอาศัยผลบุญเก่าที่ได้เคยทำาไว้ก็คือการเจริญสมาธิมาสนับสนุนในการเจริญ วิปัสสนาเจริญปัญญาต่อไปจนได้ตัดสรลุเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบุญและของบาและของใจที่ไม่มีวันตายถึงแม้ว่าจะทำบาปร้ายแรงขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อมาทำบุญจนสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ก็ไม่ต้องกลับไปใช้บาปกรรมต่างๆ หรือถ้าได้ไปใช้บาปกรรมแล้วกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาปฏิบัติธรรมจนบรรลุถึงพระนิพพานได้ก็ไม่ต้องไปรับใช้ผลบุญหรือผลบาปที่ติดค้างอยู่ในใจอีกต่อไปนี่คือเรื่องของใจเป้าหมายของใจก็คือต้องไปให้ถึงพระนิพพานให้ได้ถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพาน ก็ยังต้องมาใช้บุญใช้บาปสลับกับการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปอย่างที่พวกเราทั้งหลายกําลังทํากันอยู่ในแต่ละภพแต่ละชาติเราทํากันอยู่อย่างนี้ใจของเรานี้ต้องต่อสู้กับความความอยากทําบุญกับความอยากทําบาปบางเวลาก็อยากจะทําบาปบางเวลาก็อยากจะทําบุญ บางเวลาไม่อยากทำบุญก็ต้องลากต้องบังคับให้ทำบุญบางเวลาอยากจะทำบาป ก, ก็ต้องฝืนต้องต่อสู้ถ้าเราอยากจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะได้จิตใจที่สุขขึ้นมากขึ้นเจริญมากขึ้นเราก็ต้องต่อสู้กับความอยากทำบาปคือจะไม่ทำบาป แล้วเราก็ต้องต่อสู้กับความเกียดข้านในการทำบุญต้องบังคับตัวเราเองให้ทำบุญให้มากๆแล้วก็ต้องต่อสู้กับความอยากที่เป็นตัวฉุดากให้เราต้องไปใช้กรรมไปรับผลบุญแล้วก็ต้องกลับมาเกิดมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าเราหยุดความอยากได้ เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องมาสร้างบุญสร้างบาปไม่ต้องไปรับผลบุญ ผ, ผลบาปอีกต่อไปเราก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสุขไปตลอดใจของเรากับใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันสูญไม่มีวันหมด ตาม น, นิจใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของครูบาอาจารย์ที่บรรลุมรรคผลนิพานทั้งหลายท่านก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมต่กันตรงที่ใจของท่านนั้นมีแต่ปรามังสุขขันมีแต่ความสุขมีแต่การปต่วางไม่มีการวิภาควิจารไม่มีความอยากต่าง ใจของเราเน้นยังมีแต่ความทุกข์สุขบ้างแต่ทุกข์เป็นส่วนใหญ่ยังมีการวิพากวิจารณ์ต่างๆนาน า, า, า, ามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากฟังอยู่ตลอดเวลาใจของเราจึงยังไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงยังต้องทุกข์ลำบาก กบการต่อสู้เลี้ยงดูชีวิตของตนคือร่างกายเลี้ยงดูร่างกายแล้วต้องมาเลี้ยงดูความอยากอีกด้วยเริ่มตนก็เลี้ยงดูร่างกายก่อนทำมาหากินเพื่อมีทรัพย์มาซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่หงห่ม พอมีพอเพียงแล้วทีนี้ก็เอามาเลี้ยงความอยากต่อถ้ามีเงินเหลือก็จะเอาไปเที่ยวแล้วทีนี้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อของต่างๆมาบำรุงบำเรอให้ความสุขทางตาหูจมูกร่างกายเช่นซื้อของที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้ซื้อโทรทัศน์ซื้อเครื่องเสียงซื้อสิ่งต่างๆทั้งหลายนี้ เป็นการซื้อตามความอยากเพราะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อนั่นเองสิ่งที่จำเป็นจะต้องซื้อเรียกว่าปัจจัยสี่สิ่งที่ไม่จำเป็นเรียกว่าของฟุ่มเฟือยของฟุ่มเฟือยต่างเหล่านี้เป็นของที่เป็นเอามาเลี้ยงความอยากยิ่งเลี้ยงความอยากมากเท่าไหร่ความอยากก็จะมีความ อยากเพิ่มมากขึ้นจะโตขึ้นมีกําลังมากขึ้นความอยากมีความโตมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นถ้าไม่อยากจะให้มีความทุกข์หรืออยากให้ความทุกข์น้อยลงเบาลงต้องลดความอยากลงลดขนาดของความอยากลงพระพุทธเจ้าจึงสงสอนให้ใช้หลักธรรมที่จะลดความอยากลง ก็คือความมากน้อยสัมเบดความมากน้อยก็คือการที่จะอยากได้มากๆก็ให้เอาอยากได้น้อยๆเอาเท่าที่จาเป็นเช่นเสื้อผ้าเอาสักสองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซั้ชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อผ้าไม่แห้งหรือผ้าขาดก็จะได้มีเปลี่ยนได้มีสารองไว รองเท้าก็มีสักคู่สองคู่ก็พอนี่คือกรณนมากน้อยถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วจะทําได้เพราะว่าจะไม่มีความจําเป็นที่จะบังคับให้ต้องมีหลายชุดถ้ายังต้องอยู่กับทางโลกยังติดอยู่กับความหลงของทางโลกคือสมมติได้ยมว่าจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเรื่อยๆถ้าวันไหนใส่ชุดสั้นกัน เหมือนกันก็แสดงว่าเชยแสดงว่าไม่สวยไม่ทันสมัยแต่ทำไมพวกข้าราชการทำไมเขาใส่ของเขาได้ชุดเดิมเหมือนกันทุกวันไม่เห็นเขาเชยทำไมพระภิกษุก็ใส่ผ้าจีวรผืนเดิมได้ทุกวันอันนี้เป็นเพียงค้านิยมของของทางโลกเขาแค่นั้นทางโลกไม่ชอบของจำเจ ไม่ชอบมองของที่ซ้ำๆกันชอบดูของที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งๆ ท, ท, ที่มันก็เป็นเพียงเสื้อผ้าไว้สวมใส่ปกปิดอวัยวะเท่านั้นเองปกป้องรักษาร่างกายเพื่อไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศหนาวเย็นหรือจากการถูกแมลงสา์กัดต่อยเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าหรือปกปิดอวัยวะ เพไม่ให้ดูร่อนจอนไม่น่าดูเท่านั้นเองด<ม>ังนั้นถ้าเราใช้หลักธรรมใช้เหตุผลแล้วการที่มีเสื้อผ้ามากๆจริงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ม, มีไว้พอมีไว้สวมใส่ก็พอมีไว้สัสกอ<ม>สองสามชุดหรือสี่ห้าชุดก็ได้ก็พอแล้ว<ม><ม>เนี่ยลองใส่ชุดขาวดำเนี่ยไปไปได้ทุกแห่งทุกคนเนีย ไปงานไหนก็ได้งานที่ไม่ควรไปถ้าเขาไม่ให้ไปเราก็อย่าไปใช่งานแต่งงานก็ไม่ต้องไปงานวันเกิดก็ไม่ต้องไปถ้าเขาไม่นียอมชุดดำขาวเราก็อย่าไปเราก็ไปตามงานที่เขาไม่รังเกียจชุดดำขาวเราก็ไปแค่เท่านั้นเองไปหรือไม่ไปมันก็ค่ามันก็เท่ากันมันไม่ได้เพิ่ม มันไม่ได้อะไรมากขึ้นมันไม่ได้เสียอะไรมากขึ้นเพียงแต่ใจของเราไปหวั่นไหวกับการเสียในสิ่งที่เราอย่างไรไม่ชาร์กไปเลยก็ต้องเสียอยู่ดีเช่นเสียเพื่อนเสียสังคมในสักวันนึงเราแก่เราก็ออกสังคมไม่ได้อยู่ดีก็ต้องเสียมันไปอยู่ดีเราทำไมให้การเสียของสังคมต้องมากดดันชีวิตของเราให้เราต้องดิ้นรนกับการ หาเสื้อผ้ามาสวมใส่เพื่อให้ได้เข้าเข้าเพื่อจะได้เข้าไปในสังคมได้ที่เรายังต้องเข้าสังคมอยู่ก็เพราะว่าใจของเราไม่สงบนั่นเองใจของเรายังมีความหิวมีความอยากอยากจะพบปะกับคนนั้นคนนี้อยากจะมีเพื่อนเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้เวลาเราอยู่คนเดียวเรารู้สึก ว, ว้าวเวเศร้าซร้อยอยเหงาความว้าวเวสซ้อยซร้อยเศร้าสร้อ ย, อยงอยเหงานี้มันก็เกิดจากความไม่สงบเกิดจากการวิพากวิจารณ์ของใจนี้เอเพอวิพากวิจารว่าโอ้เหงาอยู่คนเดียวไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังไม่มีใครมาเป็นเพื่อนนี่มันก็เกิดอารมณ์เหงาขึ้นมาถ้าเราหยุดการวิพากวิจารได้ทําใจให้สงบได้ก็จะไม่เกิดด้วย ก็จะไม่มีอารมณ์เหงาเศร้าส้อยหงอยเหงาปรากฏขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำให้มากก็คือพยายามทำใจของเราให้สงบให้ได้ถ้าเราทำใจให้สงบได้แล้วเราจะดับหรือหยุดปัญหาต่างๆได้หมดปัญหาที่ทำให้เราไม่สบายอไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจ ทำให้เรา ว, าว้าเหว่เศร้าส้อยน้อยเหงาจะหายไปหมดจะไม่รู้สึกว่าเราไม่มีเพื่อนว่าเราเป็นคนต่ำต้อยไม่สามารถเข้าสังคมกับเขาได้เราจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเราจะมีความพอใจกับการอยู่ตามลำพังของเราเพราะเราได้พบกับความสุข ที่เกิดจากการอยู่ตามลำพังนี่เองเหตุที่พวกเราเวลาอยู่ตามลำพังแล้วไม่พบกับความสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่หยุดคิดกันถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วเราจะไม่รู้สึกทุกข์ใจไม่รู้สึกว่าเว่เศร้าส้อยน้อยเหงาไเลยแต่คนสองคนเนี่ยคนหนึ่งอยู่คนเดียวเอกคนหนึ่งก็อยู่คนเดียว คนหนึ่งอยู่อย่างสุขสบายเพราะเขาทําใจดับความคิดปุงแต่งได้หยุดความคิดปุงแต่งได้ออกคนหนึ่งอยู่ด้วยความเศร้าส้อยหงอยเหงา ว, ว้าเหว่งเพราะเขาหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ได้ใจเขาไม่สงบต่างกันตรงนั้นต่างกันตรงที่ใจสงบหรือไม่สงบเท่านั้นถ้าอยากจะทําใจให้สงบก็ต้องมีสิ่งที่คอยควบคุมบังคับ ไม่ให้ใจคิดเรื่องต่างๆไม่ให้วิภา์วิจารเรื่องต่างๆก็ต้องใช้อุบายของการเจริญสติซึ่งมีหลายชนิดด้วยกันเช่นการเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติจะพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะเจริญบทพระพุทธคุณไปก็ได้ พิติพิโสผักกาวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนท่องไปภายในใจไม่ต้องส่งเสียงดังเพราะจะไปรบกวนผู้อื่นแล้วจะทำให้ผู้อื่นเขาคิดว่าเราตปลกเราเป็นอะไรไปหรือเปล่าแต่ให้เราท่องอยู่ไภายในใจเวลาที่เราอยู่คนเดียวเวลาที่เราต้องการที่จะควบคุมใจให้สงบ ถ้าเราสามารถเกาะติดยอยู่กับการเจริญบทพุทธพุลได้ไม่นานใจก็จะหยุดคิดตรุงแต่งแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะมีความสุขจะไม่รู้สึกว่าเหว่เศร้าส้อยหงอยเหงาจะไม่รู้สึกอึดอัดนำคาญใจที่จะต้องอยู่คนเดียวอยู่กับที่จะไม่มีความอยากจะออกไปที่นั่นที่นี่ พอใจสงบแล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมความคิดปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆ e. พอคิดถึงคนนั้นก็อยากจะหาอยากจะไปหาคนนั้นพอคิดถึงสิ่ง น, นั้นก็อยากจะไปหาสิ่ง น, นั้นพอคิดถึงเรื่องนั้นก็อยากจะไปหาเรื่องนั้นความคิดจะพาให้เราเกิดความอยากพอเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ทุกใจเช่น ว, ว้าเหว่เศร้าสรอยน้อยเหงาวนวายใจวิตกกังวล น, นะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากความอยากเพราะนั้นเป็นผลที่เกิดจากความคิดปุงแต่งวิาพากวิจาร์เรื่องราวต่างๆดังนั้นเราต้องหัดทำใจให้สงบให้ได้ด้วยการหัดเจริญสติ ที่พูดมานี้เป็นตัวอย่างก็คือพุท ธ, ธานุสติจะใช้พุโทโธก็ได้บริกรรมพุโทโธไปทั้งวันเลยไม่ว่าทําอะไรก็พุโทโธพุธโทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทําเราก็พุโทโธไปถ้าต้องใช้ความคิดเราก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็คิดอยู่กับงานถ้าเราไม่อยากจะคิดเราก็อย่าไปทํางานก็จะไม่ต้องคิด เน่นอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องคิดมากเราก็จะได้พุทโธได้มากทำใจให้ว่างได้ได้ง่ายแต่ถ้าเราต้องไปทำงานงานมันจะบังคับให้เราคิดพอเราคิดเราก็ไม่ได้พุทโธพอเราเผอมันก็จะไปคิดเรื่องที่ทำให้เกิดความอยากเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดัางนั้นถ้าอยากจะควบคุมพุทธโธอยากจะควบคุมใจให้สงบได้จริงๆนี้ จําเป็นจะต้องไม่ไปทํางานจะดีกว่าไปตืกนเว่ยเว่ยู่คนเดียวตามสถานที่สงบต่างๆตามวัดก็ได้ตามป่าตามเขาก็ได้ตามที่พักของเราก็ได้บนคอนโดก็ได้ในห้องพักก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เราอยู่คนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเราก็คอยควบคุมใจเราไม่ให้ไปคิดตรงต่าง ทำหน้าที่ที่จำเป็นเท่านั้นก็คือตื่นขึ้นมาก็อาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตารับประทานอาหารเสร็จแล้วเทนี้ก็ควบคุมความคิดไปทั้งวันจะเดินจงกรมไปก็ได้เดินไปควบคุมความคิดไปพุโทโธพุทธโทไปหรือจะมานั่งสมาธิก็ได้สลับกันไปนั่งแล้วมื่ยก็ลุกขึ้นไปเดินเดินแล้วมื่ยก็กลับมานั่งใหม่ จนกว่าเราจะต้องทําภารกิจอย่างอื่นเช่นกราบบ้านถูบ้านขาบน้านําอาบท่าอะไรต่างๆก็ทําทไปขณะที่ทําก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วความอยากจะไม่เกิดพอไม่เกิดความอยากก็จะเพลินจะไม่รู้สึก ว, ว่าเหวเศร้าสร้อยง่อยเหง า, งาจะไม่รู้สึกปวดหักเหมือนกับถู ก, กขังอยู่ในคุกแต่อย่างใด แต่ถ้าไม่พุโทโธแล้วไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอยากจะออกไปตอนนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนว่าถูกขังอยู่ในคุกเลยเนี่ยเราสร้างความรู้สึกขึ้นมาขังตัวเราเองความจริงเราสามารถปลดตัวเราเองออกจากคุกได้อย่างง่ายดายถ้าใจเรามีพุโทโธอยู่กับเราใจมีความสงบแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราถูกขังอยู่ในคุกเลยเราจะเหมือนเรารอยอยู่ในอวากาศ คว้างใหญ่ไพสายิ่งกว่าห้องแคบๆเล็กๆที่เราที่ร่างกายนี้ถูกขังอยู่แต่ใจมันไม่ได้ถูกขังอยู่ในห้องนั้นแต่มันเข้าไปสู่ในอวกาศของจิตอวกาศของจิตก็คือความว่างความสงบความสุขความสบายนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราไม่มีกันเราจึงไม่สามารถเอาคำสอนอันวิเศษของพระพุทธเจ้า มาสอนใจให้หยุดความอยากได้ให้หยุดการทำบาปให้หยุดการเรย็นไหวตายเกิดได้เพราะเราไม่มีกำลังเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากหยุดความคิดกรุงต่างๆหยุดการวิพากษ์วิจาร์ต่าง ๆ, ๆนี่องดังนั้นกุญแจสำคัญที่สุดของการปฏิบัติก็คือการเจริญสตินี่เองอันนี้เป็น ตัวสำคัญที่สุดถ้ามีสติแล้วหยุดความวิภาคษ์วิจาร์ได้หยุดความอยากได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วถ้าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ก็สามารถที่จะทำลายความอยากได้อย่างถาวรความอยากนี้จะไม่ถูกทาลายอย่างถาวรถ้าใช้สมาธิเป็นตัวทำลายจะหยุดชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิมาพอเถอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากการมา ท, าทันทีถ้าตอนนั้นมีปัญญาของพุทธเจ้ามาสอนก็จะสอนว่าอย่าไปอยากเลยสิ่งที่อยากมันก็ไม่เที่ยวด้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์อยู่ดีได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียมันอยู่ดีมันไม่ได้เป็นคําตอบมันไม่ได้ทําให้เราพบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การไม่ทำตามความอยากอยู่ที่การหยุดความอยากนี่เนี่ยพอเอาคำสอนพระเจ้ามาสอนมันก็ถอนมันก็หยุดความอยากเลยเพราะไม่มีใครอยากจะไปหาความทุกข์กันที่ไปหาความที่ไปทำตามความอยากเพราะก็คิดว่าจะไปได้พบกับความสุขแต่พอรู้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มากกว่าก็จะไม่กล้าอยาก เชนจะดื่มน้ำถ้ารู้ว่าน้ำนันเป็นยาพิษจะมีใครกล้าดื่มไหมเราไม่รู้ว่ามันเป็นยาพิษเรามารู้ตอนที่ดื่มก็ไปแล้วมันออกฤทิ์แล้วตอนนั้นมันมันสายไปเสียแล้วเราอยากทําอะไรพอเราไปทําแล้วเราถึงมารู้ทีหลังว่าทําแล้วก็เท่านั้นแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาเพราะอยากจะทําอีกพอไม่ได้ทําทีนี้ก็หงุดหยิดมากเสีย นี่แหละคือการใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาทําลายความทุกข์ทาลายความอย่างต่างๆให้หมดไปแต่ก่อนจะใช้คาสอนของพระพุทธเจ้าได้เราต้องมีสมาธิก่อนเราต้องมีกำลังหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อนหยุดความคิดปรุงแต่งไว้ชั่วคราวก่อนถ้าเรามีแล้วทีนี้เราก็จะสามารถเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาใช้ ด้วยการพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราไม่สามารถควบคุมบังคับสังการเขาได้พอเราเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้มีใครอยากจะได้ความทุกข์บ้างแต่เรายังหยุดไม่ได้ยังทําตามไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังหยุดความอยากไม่ได้หยุดการวิพากวิจารณ์ไม่ได้ทําใจให้สงบไม่ได้นั่นเองดังนั้น การปฏิบัติเบื้องต้นจึงต้องปฏิบัติที่หยุดที่การเจริญสติเพื่อมาหยุดความอยากหยุดการวิาพากษ์วิจารณ์จ่กลางเพื่อทําให้ใจได้สงบตัวชั่วคราวเพื่อที่เราจะได้มีกําลังเอาคํำนะคําคสอนของพระุทธเจ้ามาต่อสู้กับความอยากอีกครั้งหนึ่งมาทําลายความอยากอย่างถาวรนี่คืไม่มีใครจะสามารถรู้ความจริง ได้นอกจากพระพุทธเจ้าว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากนี่ก่อนหน้านั้นทุกคนก็ทําสมาธิได้ตาใจให้สงบได้มีความสุขได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากหรือถ้ารู้ก็ไม่รู้ว่าจะหยุดความอยากได้อยา่างไร พราะไม่เห็นอนนี้จังทุกขังอนัพตานั่นเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงรู้ทรงเห็นอันนี้จังทุกขังอนัพตาแล้วนำเอามาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นพอผู้อื่นที่มีสมาธิแล้วรับรู้ครับเขาก็บรรลุได้เขาก็หยุดความอยากได้อย่างเทาว์บรรลุเป็นผ้าอรหรันบรรลุพระนิทานได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมนั่นเองเพราะเขามีสมาธิอยู่แล้วเขามีกําลังที่จะหยุดความอยากไยูแล้ว เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวปัญหาเป็นตัวเชื้อโรคของความทุกข์ใจนี้เองเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพอรู้จากพระพุทธเจ้าเขาก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากปั๊บความทุกข์ภายในใจก็หายไปหมดเลยนี่แหละคือเรื่องของการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่เราจะได้รับ ความรู้ที่ถูกต้องทั้งในส่วนของที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและในส่วนที่พวกเราจะต้องสร้างกันขึ้นมาให้ได้ก็คือเราต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนเมื่อมีสติแล้วเราก็จะหยุดการวิาพากษ์วิจารยหยุดความอยากได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะมีกำลังไว้หยุดความอยากเวลาที่เกิดความอยาก พอเราเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาใช้ว่าอยากไปอยากอยากแราวทุกแล้วสิ่งที่อยากได้เพราะว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องหมดไปแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาหมดไปเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาเปลี่ยนไปหมดไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจทุกข์ใจนี่คือเรื่องของสติสมาธิและปัญญาที่พวกเรายังไม่ค่อยมีกัน มากพอใจของวเราจึงยังไม่สามารถต่อสู้กับความอยากในรูปแบบต่างๆได้เราจึงต้องพยายามภาคเพียนสร้างสติสร้างสมาธิและสร้างปัญญาขึ้นมาให้ได้ด้วยการติดเว้อยู่คนเดียวด้วยการหยุดการหาเงินใช้เงินหยุดหาความสุขทางโลกทางตาหูจมูกเล่นกลาหยุดการทําบาปทํากรรม แล้วก็มาทุ่มเทกับการจเจริญสติสมาธิปัญญานี้รับรองได้ว่าภายในชาตินี้จะได้เห็นผลอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไ้แล้วว่าไม่เกินเจ็ดปีถ้าปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติแบบมืออาชีพรับรองได้ว่าไม่เกินเจ็ดปีถ้าเป็นมือสมัครเล่นนี้ไม่รับรองเพราะว่ามันไม่พอ ไม่สามารถไปชิงเหรียญทองได้ถ้าอยากจะชิงเหรียญทองเหรียญโอลิมปิกนี่ต้องลาออกจากงานแล้วก็ไปฝึกซ้อมกีฬาอย่างเดียวอย่างนี้รับรองได้ว่าไปแข่งโอลิมปิกได้เหรียญทองได้ก็ออคิดว่าการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลายังขอยุติพาย้เพียงเท่านี้และต่อไปนี้ก็จะอนุโมทนาให้พ่ร ยาถาวาบวหาปุราตฤกเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกาตติอิชิตังตักชิตังตุมหาคิปเมวะสมิจฉุสัทเทกเรนตุสังกาตาจามธทปนาละโสยาามณิโชติ อะระโยะถาสัททิโยวิวัชานตุสัพพิโรโควินาศตุมาเตภวตะวันตาโยสุขีธีขายุโกภาวอะพิวัฒนสีลิสานิจังวุทธาปจายโนยัตตารธัรมวทานติอายุวันโสุขัง เออมีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่าฟังธาร ม, มาแล้วไม่เข้าใจตรงไหนบ้างถ้าอยากจะถามปัญหาก็ถามได้ เรือมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังก็ได้เพื่อจะบางประสบะการณ์ให้กับคนอื่นเขาได้รับรู้บ้างว่าปฏิบัติแล้วมีผลอย่างนั้นผลอย่างนี้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงน ะ, ะไม่ใช่เป็นของกลอมอไม่ใช่ปฏิบัติไปแล้วไม่มีผลปรากฏขึ้นมาเลย มาช่วยกันยืนยันหน่อยว่าสลากขาตูพระกวตาธมโมการทมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบแล้วนั่นคือมีจริงเป็นจริงภาวนาแล้วจิตสงบจริงพิจารณาปัญญาแล้วดับความทุกข์ได้จริงถ้าไม่มีก็จะให้ทางอินเทอร์เน็ตเขาถามปัญหามา มีญาติพี่น้องญาติโยมที่เข้าไปในทางอินเทอร์เน็ตเ้าก็มีปัญหาแต่ไม่สามารถเดินทางมาถามเองได้ก็เลยใส่ข้อความไว้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาเปอดถามอาจาร์ได้เลยครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง a c e b o o k พระอาจารย์สุชาติอพิชาโตนะครับจากคุณปาคุณนะครับกราบธรรมสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง ในชีวิตการปฏิบัติธรรมไม่มีครูบาอาจารย์ที่ถามปัญหาของตัวเองได้แต่ฟังและอ่านแล้วปฏิบัติไปคิดในใจขอพระสักองจากหลวงตาจนได้รู้จักพระอาจารย์คะ่ะเริ่มปฏิบัติต่อนเนื่องตอนปีสี่ช่วงต้นปีห้าหนึ่งจิตเคลื่อนภายนอกรับรู้สิ่งต่างๆไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรมากกว่าความสงบ ข อ, องใจหลายเดือนก่อนอ่านหนังสือพระหลวงตาให้เอาจิตดูข้างในไม่ให้ส่งออกข้างนอกบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ขอพระอาจารย์เมตตาครับต่อว่าเราไม่จระรังสิตีอย่างต่อเ น, นื่องนั่นเเวลาอะไรที่เราเผลอในกําลังของความอยากของความหลงจะดันให้จิตออกไปทางตาหูจะบกลิ้นกาย ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัเวลาใดที่เรามีสติเวลานั้นเราก็จะดึงใจให้กลับเข้าข้างในเช่นถ้าเราบริกรรมพุทโธไปพุทโธไปใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้แต่เวลาใดที่เราขี้เกียจพอเราอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรตอนนั้นเราคิดว่าไม่คิดอะไร แต่พอเพ้อไปสักพักเดี๋ยวก็แวบไปคิดถึงรูปเสียงกิจรถคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วดังนั้นเราต้องคอยมีสติคอยเฝ้าดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าใจเราไม่วิภาควิจาร์ไม่มีความคิดอยากถึงเรื่องราวต่างๆเวลานั้นก็สแสดงว่าใจเราอยู่ข้างในแต่เวลาใดที่เราเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนดี แสดงว่าใจเราออกไปข้างนอกแล้วดังั้นเราต้องรับมัดระวังเพราะออกไปแล้วเราต้องรีบหยุดทันทีถ้าไม่หยุดเราก็ต้องใช้พุทโธหยุดใช้การบริกรรมก็ได้ใช้บทสวดมนต์ก็ได้เนี่ยโดยถ้าเราใช้ร่างกายก็เข้าดูการกระทําของร่างกายก็ได้เดินจงกรมก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วเดี๋ยวใจก็จะกลับเข้าสู่ความว่างความสงบได้อยู่ข้างในได้ถ้าอยู่ข้างในแล้วเราก็รู้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องพุดโโธก็ได้ถ้าสติเรามีกําลังมากถ้าเราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของใจเราถ้าเราเฝ้าดูใจเราก็แสดงว่าเราอยู่ข้างในถ้าเราไปเฝ้าดูเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสก็แสดงว่าใจเราออกข้างนอก ดังนั้นต้องพยายามให้ใจเฝ้าดูให้ใจดูใจอย่างเดียวดูว่าตอนนี้สงบหรือไม่สงบตอนนี้กำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าถ้าคิดก็ต้องใช้พุทโธพุทโธหยุดไปถ้าไม่คิดใจรู้เฉยๆอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสทั้งในอดีตและในอนาคตอยู่กับปัจจุบันถ้าเห็นก็เห็นแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่ได้ปรุงแต่งกับรูปเสียงกินรถที่เห็นอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่าไปหารูปเสียงกินรดในอดีตเช่นอดีตที่หวานๆเคยอยู่กับคนนั้นคนนี้พอคิดแล้วก็อยากจะกลับไปหาคนนั้นคนนี้พอไม่ได้กลับไปก็รู้สึกเศร้าส้อยงอยเหง า, ว, าว้าเหวขึ้นมาพยายามอย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งในรูปแบบนั้นอย่าไปคิดถึง เรื่องในอดีตที่ผ่านมาและอยากจะกลับไปหาอย่าไปคิดถึงเรื่องในอนาคตแล้วอยากจะให้มันเป็นไปเร็วๆเช่นอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวต่างประเทศก็นั่งคิดถึงวันนั้นอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันก็จะมีความรู้สึกงุ่ดหนิดเบื่อหนายเมื่อไหร่จะมาถึงวันนั้นสักทีแต่ถ้าไม่คิดแล้วอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับความว่างเนี่ยแสนจะสุขแสนจะสบายนี่คือคําตอบ คือให้พยายามรักษาจิตด้วยสติไม่ว่าจะเป็นการเจริญพุโทโธ ก, ก็ได้จเจริญอิติปีโสก็ได้เฝ้าดูจิตว่าอยู่ข้างในหรือเปล่าหรือออกข้างนอกถ้าออกข้างนอกก็ต้องดึงกลับเข้ามาให้ได้อย่าปล่อยให้ออกไปออกไปแล้วเดี๋ยวจะวุ่นเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะเครียดเดี๋ยวจะทุกข์ก็ตอไปจากข่านเดียวกันนะครับขอขั้นตอนการปฏิบตัติต่อจากนี้ เพราะสิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือเมื่อทุกเกิดสามารถดับลงได้ก็อย่างที่เทศอันเนี้ยก็เทศเรื่องที่ถามอยู่ตอนเนี้ก็คือเราต้องจลาญสติให้ได้เพื่อหยุดการวิาพากวิจารณ์ความคิดปรุงแต่งความอยากต่างๆภายในใจให้ได้ถ้าเราหยุดได้แล้วทีนี้เราก็จะสามารถเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราพิจารณา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พอเราพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดความอยากได้หรือเราพิจารณาว่าไม่สวยไม่งามถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบังลมอย่าเรายังรักคนนั้นยังชอบคนนี้อยู่เราก็ต้องมองคนที่เรารักเราชอบว่าเป็นเหมือนเหมือนคนตาย คิดถึงเวลาที่เขาตายไปร่างกายเขาจะเป็นอย่างไรตายสามวันจะเป็นอย่างไรตายเจ็ดวันจะเป็นอย่างไรให้คิดอย่างนั้นหรือว่าถ้าจะจะมองส่วนอื่นก็ได้มองเข้าไปข้างในได้หรือเปล่ามองเข้าไปใต้ผิวหนังได้หรือเปล่าว่าใต้ผิวหน้าเขานี่มีอะไรใต้ผิวหน้าก็มีมีมีกระโหลกศีรษะใต้ผิวของร่างกายก็มีโครงกระดูก มีอวัยวะต่างๆมีปอดมีหัวใจมีตับมีไ ต, ม, ตมีลำไส้ภายในลำไส้ก็มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆอาหารใหม่อาหารเก่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองร่างกายเขาให้ทั่วถึงแล้วเราก็จะไม่มีการอารมณ์แต่ถ้าเรามองแต่เฉพาะหน้าตาเขาอย่างเดียวก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ ก็ต้องเปลี่ยนส่วนที่ดูอย่าไปดูแต่หน้าดูที่ก้นบ้างก็ได้ดูที่เท้าบ้างก็ได้แล้วจะได้ดับการมาลมได้นี่คือเรื่องของการที่เราจะต้องปฏิบัติขั้นตอนนี้เราต้องควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดหยุดการวิพากษ์วิจารให้ได้เพื่อจะได้หยุดความอยากไว้ชั่วข่าวเพื่อใจจะได้มีความสงบมีความสุข มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้ถ้าใจไม่มีความสงบไม่มีความสุขจะสู้ความอยากไม่ได้เหมือนกับคนที่ถ้ายัางไม่ได้รับประทานอาหารเต็มที่นี่อยากขึ้นไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้จะไม่มีกาลังต้องรับประทานอาหารก่อนอาหารของใจที่จะใช้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้คือปัญหาความอยากก็คือ ค, ความสงบนี่ ดังนั้นผู้ปฏิบัติยังไม่ควรมาข้ามเรื่องของสมาธิโดยเด็ดขาดเป็นอันขาดทุกวันนี้จะมีคนที่สอนไปในทางที่ผิดสอนว่าไม่ต้องไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญสมาธิไม่ใช้ปัญญาเลยก็ใช้มาแล้วกี่ปีแล้วได้ผลหรือเปล่าหยุดความอยากได้หรือเปล่าบรรลุมมักผลนิพพานได้หรือเปล่าเพราะไม่มีวันที่จะบรรลุได้ไม่มีวันที่จะหยุดความอยากได้ เหมือนกับส่งคู่ต่อสูส้เหมือนกับขึ้นไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้โดยไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้พักผ่อนหลับนอนขึ้นไปสู้กับเขาก็แพ้เขาเท่านั้นแหละสู้กิเลสไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วนี่สู้ได้หยุดความอยากได้ทําลายความอยากได้อย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าก็ทําแบบนี้มาก่อนเพราะสาวกทั้งหลายก็ทําแบบนี้มาก่อนมีทั้ง พระพุทธเจ้าถึงต้องสอนทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาสอนติตเพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาหยุดความอยากได้คำถามข้อต่อไปจากคุณกิมกิมนะครับกราบนรรมสการเมตตาสำหรับคนเริ่มต้นด้วยค่ะจิตคืออะไรคะตามที่เข้าใจคือความรู้สึกนึกคิดใช่หรือไม่จิตนี้เป็น ผู้รู้หรือเป็นภาพรู้นอกจากรู้แล้วก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดแต่ความรู้สึกนึกคิดนี้มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ตัวรู้นี้ผู้รู้นี้ไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าใจตอนนี้ของปุุชนอย่างพวกเราทั้งหลายนี้รู้ด้วยความหลงไม่ได้รู้ด้วยความจริง พอรู้ด้วยความหลงก็เลยไปไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์มาใส่ใจเทานั้นเองถ้ารู้ถ้ารู้ด้วยความจริงแล้วก็จะหยุดไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆเพราะจะรู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นทุกข์นั่นเองทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความอยากได้นั่นเองพอรู้ความจริงอย่างนี้แล้วก็จะหายหลง ให้ยหลงแล้วก็จะไม่ขวาคว้าไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรเพราะไม่มีความอยากแล้วใจก็หยุดการสแสวงหาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดใจก็จะอยู่ในพระนิพพานดังนั้นจิตหรือใจที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือสอนให้ฉลาดสอนให้หยุดความอยากต่างๆให้ได้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราสอนแล้วเราหยุดความอยากได้ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้คำถามข้อต่อไปจากคุณวิไลนะครับเป็นการขออนุ ญ, ญาตถามนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตินะครับกับนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งพระอาจารย์เทศนารมแล้วขอเมตตาสงเคราะห์ พานั่งสมาธิ 20-30 นาทีทุกครั้งได้ไหมคะก็นั่งได้เนี่ยนั่งไปเลยทำไมต้องพาด้วยเพราะการนั่งสมาธิไม่เหมือนกับพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการนั่งสมาธินี่เป็นเรื่องของปฏิจจ์กับบุคคลเป็นเรื่องของส่วนตัวต้องทําตามลาพังจะได้ประโยชน์กว่าได้ผลดีกว่าที่จะมานั่งนั่งทําร่วมกันเพราะเวลานั่งทําร่วมกันแต่ละคนก็จะ มีความสงบไม่เท่ากันมีสติไม่เท่ากันบางคนนั่งได้เดียวเดียวก็นั่งไม่ได้ก็จะขยับจะออกจะส่งเสียงดังก็จะไปรบกวนคนอื่นที่เขานั่งอยู่ได้การนั่งสมาธิจริงๆนี่ต้องนั่งคนเดียวปีกวิเวกถ้ากายไม่วิเวกแล้วใจจะไม่วิเวกถ้าใจไม่สงบถ้ากายไม่สงบสงดนั่งอยู่อยู่ร่วมกับคนอื่ น, นมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีคนอยู่รอบตัว มันจะไม่ลงมันจะไม่สงบแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีไม่มีใครอยู่รอบตัวนี่มันจะไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลกับคนอื่นมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นการจะนั่งสมาธินี้ควรจะนั่งตามลำพังนั่งในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมก็ได้การฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นอุบายแบบหนึ่งที่จะทาใจให้สงบได้ ถ้าเรานั่งฟังแล้วเราก็ตั้งใจฟังถ้าเราคิดตามได้ก็คิดถ้าคิดตามไม่ได้ก็ฟังเสียงไปเรื่อยเสียงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพุทโธไปก็จะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เพราะว่าไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีความอยากต่างๆเวลานั่งฟังเทศฟังธรรมจึงไม่จําเป็นจะต้องบริกรรมพุทโธไปด้วยอย่างถ้า จะบริการพุทโธก็ไม่ต้องฟังเทศปิดเทศเสียแล้วก็บริการพุทโธไปถ้าฟังแล้วบริการไปด้วยมันจะชนกันเสียงเทศก็จะเข้ามาทางหนึ่งบริกรรมพุทโธก็จะมาทางเดี๋ยวมันก็ชนกันเดี๋ยวมันก็สับสนฟังไม่รู้เรื่องบริกรรมไม่รู้เรื่องอยังเวลานั่งฟังเทศถ้าต้องการนั่งสมาธิในระหว่างฟังเทศก็ฟังเทศไปเลยไม่ต้องพุทโธไม่ต้องดูลมเอาเสียงเทศนี่แหละเป็น อารมณ์กล่อมใจถ้าพิจารณาได้ก็จะได้ประโยชน์จะได้ปัญญาจะได้ความรู้ความฉลาดที่มีคุณค่ากว่าสมาธิอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่ถ้าไม่สามารถพิจารณาตามได้เพราะว่าไม่มีกําลังที่จะพิจารณาก็ใช่การฟังไปเพื่อกล่อมใจให้เข้าสู่สมาธิก่อนถ้ามีสมาธิแล้วต่อไปก็จะเข้าฟังธรรมจะเกิดความเข้าใจ คำถามข้อต่อไปจากคุณเจฟนะครับมีสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งผมตั้งฐานจิตไว้ที่หน้าผากตั้งใจจะบริกรรมณจุดเดียวเท่านั้นแต่เมื่อบริกรรมสักพักจิตจะเข้าไปอยู่ลึกประมาณกลางศรีรษะหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่คอและที่ท้องเหนือสะดือผมต้องทําอย่างไรต่อไปอย่างไรครับคือการกระทําแบบนี้ไม่ถูกนะ ถ้าการบริการมนี้ขอให้ตั้งจิตอยู่ที่คำบริกรรมเพียงจุดเดียวอย่าไปตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ต, ต, ตามตำแหน่งต่างๆเพราะว่าจะทำให้ใจเป็นสองใจมีทั้งบริกรรมและยังต้องไปจดจ่ออยู่กับจุดที่จิตตั้งอยู่ด้วยให้จิตตั้งอยู่กับคำบริการเป็นจุดเดียวเพื่อจิตจะได้รวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้าจิตอยู่กับคำบริกรรแล้วก็ต้องไปกาหนดดูจุดจุด ที่จิตไปอยู่ตามจุดต่างๆที่หน้าผากบ้างที่กลาง อ, อกบ้างมันก็จะเป็นสองไปถ้าใจเป็นสองมันก็จะไม่เป็นเอกพักกตาลมมันก็จะไม่รวมเข้าสู่ความสงบการที่จิตจะรวมเข้าสู่ความสงบได้ต้องอยู่กับอย่างเดียวจุดเดียวเช่นจะดูจิตให้กำหนดอยู่ตรงลมหายใจก็อยู่ตรงจุดเดียวเฝ้าดูตรงจุดนั้นเช่นที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าลมจะสัมผัส แถวบริเวณปลายจมูกแล้วก็เฝ้าดูตรงจุดนั้นจุดเดียวก็ได้ถ้าอยากจะใช้สถานที่เป็นที่กําหนดจิตก็ใช้นมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกถ้าจะใช้การบริกรรมก็ให้อยู่กับคําบริกรรมไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกําหนดว่าจิตจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ให้อยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวเท่านั้นเป็นที่ตั้งของจิตไปข้อที่สองนะครับ เดยทำได้ครั้งหนึ่งคือได้บริกรรมที่หน้าผากจุดเดียวและจนกระทั่งร่างกายหายไปลมหายใจหายไปเหลือแต่จิตเป็นยานหรือไม่และผมต้องทำให้เกิดอีกบ่อยๆไหมเพราะอยากให้เป็นอีกแต่ก็ไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเป็นทำแล้วเกิดความสงบขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นสมาธิ ถ้ามีความสุขมีความว่างมีความเย็นมีความสบายก็ทำไปบ่อยๆทำให้มากๆวิธีทำครั้งต่อไปก็คืออย่าไปคิดถึงผลที่เคยได้ในอดีตให้คิดถึงเหตุที่เราทำว่าเราทำอย่างไรถึงทำให้เกิดผลนั้นก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับเหตุทำเหตุนั้นไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นเองไม่ใช่ว่าพอเราเริ่มทำเราก็เริ่มคิดถึงผลอยากจะได้ผลที่เราเคยได้ การนั่งคิดว่าเมื่อไหร่จะได้ทักทีเมื่อไหร่จะได้ทักทีทําไมไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่สร้างเหตุนั่นเองเราต้องกลับไปที่เหตุเหตุที่ทําให้จิตสงบอย่างไรเราก็ต้องไปเริ่มต้นที่เหตุที่จุดนั้นต่อครับคําถามข้อต่อไปจากคุณการสงบสมถะสันโดษ น, นะครับเป็นคําถามที่ต่อเนื่องมาจากคุณเจฟนะครับเป็นเช่นกันค่ะกําหนดไว้ที่ปลายจมูกก็มาชัดเจนที่หน้าผาก ระหว่างคิ้วเราควรเปลี่ยนมากำหนดที่ที่ชัดเจนไปหรือเปล่าครับพระอาจารย์อันนี้ก็สุยแท้แต่ถ้าถ้าเปลี่ยนถ้ามันสงบ ก, ก็ได้ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่สงบ ก, ก็อย่าเปลี่ยนก็แล้วกันให้อยู่ที่จุดเดียวนักเดียวใจเดียวไงั้นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วสงบ ก, ก็ไม่ว่าอะไรเพราะแต่ละคนนี้ก็มันมีจาดีบไม่เหมือนกันจะไป ไปให้เหมือนกันทุกคนก็นไม่ได้เขาให้ดูผลเป็นหลักก็แล้วกันว่าทําอย่างไรแล้วมันสงบมันรวมก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันครับหมดคําถามสําหรับวันนี้ครับ okay. ถ้ามีคําถามอะไร ก, ก็เข้าไปเขียนได้อย่าลืมเขียนว่าชอบด้วยนะชอบ <c oughs> ชอบไม่เราพูดเล่น <c oughs> เรยว <c oughs> ถ้ามีไม่ชอบก็อยากจะให้กดไม่ชอบเหมือนกัน <S <S ว่าใหม่ๆที่ไม่ได้ยินนะ บ้านเราเนี่ยเป็นอาาพาร์เมนต์แล้วมีบ้านรูดด้วยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นบ้านาพระปาศัยอยู่ธรรมดาไม่มีประพฤติการาแล้วมีการประพฤติผิดตัวเองีหรือปปรปรเอปล่าคือถ้าไม่มีการประพฤติผิดบาปผิดกรรมผิดศีลผิดธรรมมันก็ไม่ได้เป็นเที่ย อะโคจนแต่อย่างไดก็มันเป็นเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นใช่ไ้ยมันเป็นเหมือนมานรูดเทียงไม่ใช่เป็นม่านรูดจริงใช่คือเป็นอพาร์ตเมนต์แต่ว่าไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นม้านรูดหรือเป็นโมเตลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีก็มีมาเป็นคู่คู่คู่คู่มานะครับก็ยังเป็นที่ที่ไปพูดผิดตรงนี้อยู่อ่า มันก็เป็นที่เหมาะคนที่ชอบทําบาปไปทํากันไม่ใช่เลยคนเช่นคนอยากจะหนีภรรยาหนีสามีเอไปหาความสุขกับคนค น, นั่นคนนี้เขาไปกันมันก็เป็นที่ไม่เหมาะสําหรับคนที่รักษาศีลจะไปกันอ๋อถ้าเราไม่ไม่ได้ไปไปทำประผิดประเวณีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันอยู่ในอาคารเดียวกันอ่า กับเราคงจะไม่มีถ้าเราไม่ไ ป, ประพฤติผิดประเวณีถ้าเราไปเจริญสตินั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาฟังเทศฟังธรรมของเรามันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปไปโม่มสมกับเขาเราไม่ได้ทำกิจกรรมแบบนั้น อาชีพที่มีมีบ้านพักอย่างนี้ให้เขาเช่าเลยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นวิฉาชีพได้เพราะส่งเสริมให้ผู้อื่นเขาทำบาป ก, กันสนับสนุนกันในการให้เขาประพฤติผิดประเวณีกันก็ถือว่าเป็นวิจฉาชีพ ไม่ไม่ค่อยได้ยินค่ามถ่ายอถามใหม่สิเข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ แล้วให้เช่าแบบไม่ต้องประพฤติกิดตัวเวรีก็ได้ใช่ไห้ฮะให้คนเช่าแบบเขามาอยูย่อาศัยเหมือนทั่วไปเป็นทำเป็นสองคนแต่ละคนี้ก็เช่าใจตัวอีกน็เช่าแบบเข้ามาพักทั้งทั่วไปตอนมาตอนก็ถือว่าเป็นเหมือนเหมือนโรงแรมทั่วไป <c oughs> ใช่เราก็ไม่ได้ไปไปส่งเสริมเขาออก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขาเองออ เพราโรงแรมที่พักอาศัยทุกวันนี้ก็คนเขา้าเขาไปทําอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าของโรงแรมก็ เ, เป็นเพียงที่จัดการให้มีที่พักอาศัยเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นมันก็คิดว่าคงไม่เป็นปัญหาอะไรคงไม่เป็นอถ้าทําแบบชัดคื อ, อถ้าทําแบบชัดชั ด, ชดๆแบบที่ก็ทํากันก็คือเป็นม่านรูดจริงๆอยู่กันมาทุกคนรู้เลยว่านี่เป็นเป็นที่ที่จะมาทําอะไรกันอย่างนั้น อันนั้นก็อีกเรื่องนึ้งอ๋อก็มาอยู่ชั่วคราวมาพักคืนหนึ่งสองคืนก็เรานอกแต่เราจะมองถ้าเรามองว่าเป็นที่พักแรมส่วนเขาจะมาพักแบบไหนก็เรื่องของเขา ตาบใดมันไม่มารบกวนเราเราภาวนาได้สงบได้ก็ก็ก็ไม่เป็นปัญหาเราแตเพราะมันอยู่คนละส่วนกันอ่อาคารเดียวกันแต่เราไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเหมือนกับวัดสมัยนี้วัดข้างหน้าว่ายังมีบามีมีคาราโอเกะกันเลยมันก็มันเรื่องของโลกที่บางทีมันเราก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริง แต่เราเราอย่าไปไปทำกิจกรรมที่ไม่คงไม่ควรจะกระทำเท่านั้นแห ะ, ะใช่ใช่อย่างอย่างของผมหนักกว่าครับของผมร้อยกว่าห้องเนี่ยก็แขกต่างชาติท่านั้นแต่ว่าพีสถานีวิทยุธรรมะอยู่ที่นั่น <c oughs> ห้องพักขางนมีสถานีวิทยุมาตั้งอยู่ตกใจการพัตายาเลยครับต <c oughs> ส่วนกสก็ส ก, ก็ บ, กกบางทีมันก็ไม่เป็นเรื่องขาวดำนะมันเป็นแบบขาวก็ไม่ใช่ดำก็ไม่ใช่มันเป็นอ่ได้เชิญตามสบายเลยดี ต้องการอีกจะมาหยิบได้นะเนี่ยมีใครต้องการเราไปฝากเพื่อนเรไปได้มีอีกครับยังไม่หมดนะครับเยอะเลยไแขกเยอะเลยนะครับคุณเต้เอาออกมาตั้งไว้เดี๋ยวใครอยากจะไให้คนดดดูดไ่ด้วาจะงาเีย ได้ได้ไปค้างก็าปะต้องไปค้างกันอะไปข้างที่วัดหรือไปค้างที่อุดรเยยนี้ยังยังตั้งโครงการไม่ลงตัวจะไปกี่วัดอ่ะยังไม่แน่ใจค่ะเอาที่แล้ไปถ้าจันประถมถ้หลวงปู่บุญมาบุญบุญมาบุญบุญีา อ่าดีอต่อไปต้องเปลี่ยนเป็นปฏิบัตินะต้องต้องเปลี่ยนจากนักบุญมาเป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวช ก, ก็ไม่ต้องไปละอออยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้อ่านี้ไปเอาบุญก่อนอ่ไปเอาธรรมะก่อนเอาคาสอนก่อนพอได้คำสอนแล้วต่อไปแล้วก็เอามาปฏิบัติมันเป็นนักบวช ถกาต้องปฏิบัติไงบุญอย่างเดียวมันยังไม่นา่ามันยังไม่ทําให้เรามั่นใจถ้าปฏิบัติแล้วเราจะมั่นใจถ้าปฏิบัติแล้วมันจะเห็นผลผลบุญที่ได้นี่มันน้อยเมื่อเปรียบเทียบ ก, กับผลที่ได้จากการปฏิบัตินถ้าปฏิบัติแล้วจะมีความมั่นใจถ้าจิตสงบแล้วรู้ว่าไม่ไปอบายอย่างแน่นอนทำสมาธิได้ตายไปไม่ไปอาบายแล้วบ เวลาตายก็เข้าสมาธิไปไปสวรรค์พรโลกเลยเวลาพร้อมได้แล้วก็เจ็บป่วยนะปวดออยากขับใจพูดโธรพูดโทรไปเข้าไปเลยปล่อยมันปล่อยร่างกายไปเลยเป็นหน้าที่ของหมอของยาปล่อยเขาทาไปพุดโทอย่างเดียวสวดมนต์ไปก็ได้ทาใจให้สงบอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรต้องต้องฝึกอ่องเงี้ยเหมือนนักมวยไม่ใช่มาเอาตอนที่จะขึ้นเวทีเล ถูกเขอนอ็อคถ้าทำใจสงบแล้วเวลาตายจะไม่ทุกข์เราสามารถเข้าเข้าไปในสมาธิได้สมาธินี้จะทำให้เราไม่รับรู้เรื่องความเจ็บปวดของร่างกาย ถ้ากลับมาเกิดก็ยังตามทันอยู่ะต้องกลับมาพบหน้าชาติหน้าก็มาตามกันต่อแต่ถ้าไม่กลับมาเกิดเท่านั้นน่ะถึงจะแม้เจ้าการเวรถึงจะหมดถ้ายังมีการกลับมาเกิดอยู่ก็ยังต้องมาใช้กรรมใช้เวรต่อแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ลองใช้เวรกับเทวทัตยอยู่เนี่ยถึงเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องใช้อยู่เพราะยังมีร่างกายแต่ตอนดีตรงที่ว่าใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน ก็ดีไงอ่ก็ต้องไปใช้ชาติหน้าต่าไปเวลาไปเกิดแล้วไปเจอกันคำว่เ า, าเจ้ากรรมนเวรก็คือคู่อริเรานี่ยคู่กรรมคู่อริเราคนที่มีกรณีที่พลาดกับเราเนี่ยเราไปทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเขาก็จะตามจองเวรจองกรรมเราไปพอชาติหน้าเจอกันเขาก็จะใสเราเลย ก็ถ้าเขาเบื่อเขาก็จะเลิกไปเอง <c oughs> ให้เขาตอบหน้าไปเรื่อยเดี๋ยวเขา <c oughs> เขาเจ็บมือเขาก็าหยุดตอบเลยไง อ, <c oughs> อะไรก็ได้ที่ทำให้ใจเราสงบไงเราถึงต้องหัดนึกนึกถึงตอนนี้ก่อนพุโทโธก็ได้ <c oughs> สวดมนต์ก็ได้ดูลมหายใจยเข้าออกก็ได้ ขอให้เราทําอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องของร่างกายขอยให้ร่างกายมันอยู่ตามเรื่องของมันอย่าไปสนใจมันอย่างตอนเนี้ยเสียงก็ตีโขกปลาโขกผากถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วปล่อยเขาตีไปถ้าสนใจแล้วมันก็กเทือง นี้ไม่แน่หรอกแสงมันไม่ได้เป็นตัวที่จะบอกว่าเป็นอะไรต้องดูว่ากระดูกท่านเป็นพระธาตุหรือเปล่าถ้าอัติกายเป็นพระธาตุนั่นแหละเป็นาธาตุแน่ แต่องค์ที่ที่ตายไปแล้วอัฐิไม่เป็นพระธาตุก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้เป็นบางทีดังที่หลวงตาท่านเล่าให้ฟังว่าถ้าบรรลุใกล้ตอนบรรลุแล้วมีชีวิตอยู่ไม่นานอย่างเงี้ยจิตไม่มีเวลาที่จะฟอกท่าฟอกให้กระดูกเป็นธาตุได้เวลาตายไปก็กระดูกก็อาจจะไม่เป็นพระธาตุได้เช่นบรรลุวันนี้แล้วตายพรุ่งนี้อย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาที่จะฟอก ถ้าบรรลุมาเป็นเวลาสิบปียี่สิบปีเนี่ยพอตายไปปุ๊บก็มีเป็นพระธาตุขึ้นมาเลยไมย่แต่ท่านจะเป็นไม่เป็นมันก็เป็นเรื่องของท่านอนะ่ะถ้าท่านไม่เป็นท่านก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อ่ขอแสงนี่มันมันอาจจะเป็นดวงจิต แล้วก็อาจจะเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของจิต ด, ดวงนั้นเขาก็ได้การมีอิทธิฤทธิปาฏิหารินี้ไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเป็นพระอริยเจ้าแต่อย่างใดอย่างพระเทวทัศนนี้ท่านก็มีอิทธิฤทธิอิทธิฤทธินี้เป็นโลกิยธรรมไม่ใช่โลกุตตรธร ร, รมเป็นธรรมที่อยู่ในระดับของสมาธิ เป็นธรรมที่ยังต้องกลับมาเวียนไหยตายเกิดต่อไปต้องเป็นธรรมอยู่ในอริยระระดับโลกุตละระดับของพระโสดาบันขึ้นไปนะถึงจะเป็นธรรมที่จะทำให้พระชาติการเวียนไหวตายเกิดนี้ลดน้อยลงไปอย่างพระโสดาบันนี่ก็เหลือไม่เกินเจ็ดชาติพระสกิดาคางมีก็เหลือเพียงชาติเดียวพระนาฐามีนี่ก็จะบรรลุในพมโลก ไม่ต้องกลับมาเกิดในก า, าการมาพบการมาพบก็คือพบของมนุษย์ของเทวดาผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้เขาเรียกสันทิฏฐิโกคือคือผู้ผู้ปฏิบัติมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้เช่นเกิดมาแล้วไ ม, ไ, ไม่ยอมตายอย่างนี้เขาก็จะเขาก็จะปล่อยวางความอยากนั้นหยุดความอยากนั้นยอมรับว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาคนที่ยอมรับความจริงรู้ความจริงว่ า, วาร่งารงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องตายแล้วไม่มีความอยากให้ไม่อยากให้ร่างกายไม่ตายไปคนนั้นก็จะบรรลุเป็นโสดาบัน วนนั้นจะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายวันนั้นจะไม่ทําบาปทํากรรมโดยเด็ดขาดเพราะรู้ว่าการที่จะไปทําบาปเพื่อที่จ ะ, ะรักษาชีวิตนี้มันจะเป็นการทําลายตัวเองมากกว่าเพราะว่าทําบาปแล้วจะต้องไปใช้บาปต่อไป ต้อไปเกิดในอบายดัยงนั้นเวลาลน่งร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือว่าจะเป็นอะไรก็จะไม่ทําบาปจะไม่ไปทําพิธีสระเคาะห์ต่างๆไม่ไปถวายผ้าขาวเพื่อจะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนี้มันเป็นไปไม่ได้เรื่องการทําบุญก็เรื่องของทําบุญเรื่องของการตายมันก็เรื่องของการตายมันคนละเรื่องกันนะ ไปทำบุญแล้วหยุดความตายไม่ได้แต่จะทำก็ดีไม่ว่าอะไรทำแล้จะทำให้จิตใจมีความสุขจะทำให้ตายอย่างสบายได้แต่ไปหยุดความตายไม่ได้พระโสดาบันก็จะไม่มีไม่มีไม่ทำพิธีกรรมต่างๆไม่ไปถ่ายบาทไปทำอะไรต่างๆเพื่อสะเดาะข้ออะไรนี้จะไม่ทำ เชื่อเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ความตายไม่พ้นหนีห้กรรมไม่พน้นถ้าไม่อยากจะมีกรรมก็อย่าไปทําบาปปล่อยปตาก็ปล่อยด้วยความเมตตาหลวงตาท่านก็ปล่อยอแต่ท่านไม่ได้ปล่อยเพื่อท่านอยากจะต่ อ, อยิ้วของท่านเลย ท่านสงสารมันเห็นเขาซื้อมาจะจับมาฆ่านี่ก็เอาไปถ่ายชีวิตเขาเอาไปปล่อยเขาแค่นั้นเองสงเคราะห์โลกหลวงตาท่านทําทุกอย่างนี้ทําเพื่อโลกไม่ได้ทำเพื่อตัวของท่านเองตัวของท่านเองนี้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์จากภัยพิบัติต่างๆหมด้วไม่มีความทุกข์อะไรจะไปทําให้ใจของท่านเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ที่ท่านทําไปก็เพราะว่าท่านมีบารมีที่จะ เพื่อเฟื่องเผื่อแพ่ให้แก่สัตว์โลกสองข้อโลกท่านก็ทําไปเท่านั้นเองแต่ตัวท่านเองนี้ไม่ทําอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเช่นถ้าท่านไม่ออกมาทํำภาคป่าช่วยชาติถ้าไม่ออกมาอดลมสั่งสารญาติโยมท่านไปอยู่ในป่าองค์เดียวไม่มีใครรู้จักท่านนี้ท่านก็เป็นเหมือนเดิมความสุขในใจของท่านก็เท่าเดิมความทุกข์ในใจก็ไม่มีในใจเหมือนเดิมที่การที่ท่านออกมาทําอะไร เกี่ยวกับประชาชนนี้ท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านเองท่านทําเพื่อประชาชนให้ประชาชนได้มีโอกาสสร้างบุญ ส, สร้างกุศลได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เปิดเปลืองตัวเขาให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําสั่งสอนสับโลกก็ไม่ได้ทําเพื่อพระ อ, องค์เองทําเพื่อให้สับโลกฟูตาสลาย จะได้หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่สอนก็จะไม่มีใครที่จะหลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเต่าเดินทุกศาสนาดวงจิตนี่มันเป็นของทุกคนะทุกททุกุกกชีวิตเนี่ย ทีนีแ้แต่ดวงจิตดวงนั้นจะไปเชื่ออะไรเท่าก็นับถือเรื่องนั้นไปเท่านั้นเองแต่พอมาเจอความจริงเขาก็จะมาเชื่อความจริงอย่างชาวต่างประเทศนี่เขาเกิดในศาสนาอื่นแต่พอเขาได้ศึกษาศาสนาพุทธเขาก็กลับมาเชื่อศาสนาพุทธแทนเน้อเรื่องของความเชื่อมันไม่เป็นปัญหาอะไรมันเปลี่ยนได้แต่ดวงจิตนี่ไม่มีวันเปลี่ยน จิตก็เป็นเหมือนเดิมของทุกดวงจะฉลาดหรืองโง่เท่านั้นเองถ้างโง่ก็จะหาวิธีต่างๆที่ไม่ถูกที่จะมาปลดเบื้องดับความทุกข์ภายในใจจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคําคสอนคำพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะปดเบื้องจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ก็ต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยหมั่นเข้าหาภาพผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วก็ต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะจะไม่จะไม่ไปเชื่ออะไรทั้งสิ้นแล้วจะเชื่อแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียว ถึงแม้จะกำเนิดเกิดแล้วไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจแนละ้วรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือทุกสมุทัยนี่ ร, รู้มากนี่องรู้ว่าอริยสัจสี่รู้ว่าทุกเกิดจากความอยากรู้ว่าการจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยทานศีลภาวนานี่องยังเกิดมาทุกภพทุกชาติ ก็จะปฏิบัติทานสิงภาวนาไปจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอารหรันต์เมื่อเป็นบรรลุเป็นพระอารหันต์้วก็จะไม่กลับมาเกิดต่อไป ก็เป็นเหมือนเด็กยังติดขวดนมอยู่ยังยังไม่ยอมเปลี่ยนมากินอาหารอย่างอื่นบ้างเราก็ต้องลองสลับดูบ้างฟังเทศไปพอรู้สึกจิตสงบก็ปิดแล้วก็ดูลมต่อไปคืออาศัยการฟังเทศกล่อมใจไปก่อนเพราะบางทีเวลานั่งแรกๆนี้ใจมันอาจจะคิดมากก็ใช้การฟังเทศช่วยกล่อมให้ใจคิดให้น้อยลงพอใจรู้สึกว่ายเย็นสบายไม่คิดมากแล้วเราก็ปิด แล้วก็ดูลมหายใจต่อไปเดียวมันถึงจะก้าวหน้าไม่มันก็จะติดอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวหรือไม่เช่นนั้นก็ลองเริ่มต้นโดยที่ไม่ต้องเปิดเทศไม่ต้องเปิดเทศดูก็ได้นั่งถ้าเราชอบดูลมก็ดูลมไปเลยหรือจะชอบพุทโทก็พุทโทไปเลยแล้วดูซิว่าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้คอยเปิดเทศฟังไปก่อนแต่ความจริงมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่าง คือมันอาจจะไม่ได้ผลทั้งสองอย่างเพราะว่าเราไม่เจริญสติมาก่อนถ้าเราอยากจะนั่งได้โดยที่ฟังเทศก็ได้ไม่ฟังเทศก็ได้นี้เราต้องฝึกเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งคือฝึกทั้งวันปยานท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ว่าเราทำจะจะจะทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปตอนเวลามานั่งเราไม่ต้องใช้การฟังเทศก็ได้ ถ้าเราฟังเทศก็ไม่ได้ฟังเพื่อให้มากล่อมใจแต่ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเพื่อศึกษาแนวทางที่ปฏิบัติที่ถูกต้องการฟังเทศนี่มีมีสองลักษณะฟังเพื่อให้เป็นการกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบหรือฟังเพื่อให้เกิดปัญญาให้รู้ถึงการปฏิบัติวิธีที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรอย่างั้นถ้าเราใช้การฟังเทศเป็นการกล่อมใจเราก็ฟังไปก่อนแล้วพอ ลองไปสักระยะหนึ่งรู้สึกใจสบายสงบแล้วลองปิดแล้วเรานั่งนั่งดูลมต่อไปหรือดูจิตไปเลยก็ได้ว่าดูจิตคิดปรุงแต่งหรือเปล่าอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่อยากแล้วนั่งเฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรก็ปล่อยนั่งเฉยๆไปให้ใจว่างไม่ให้มีความคิดไม่มีความอยากโดยถ้ามันจะไปคิดก็ให้มันมีงานทําก็ให้ดูลมหายใจหรือให้บริกรรมพุทโธไป มันก็จะได้ไม่ไปคิดถ้ามันไม่ไปคิดมันก็จะสงบต่อไปได้หรือจะสงบลึกเข้าไปอีกก็ได้เข้าใจไหม เปาหมายของเราก็คือเราต้องการทำใจให้สงบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เวลาทาสมาธินี่เราต้องการให้มันนิ่งอย่างเดียวให้เป็นอุเบกขาอย่างเดียวสัตว์แว่ารู้อย่างเดียวไม่อยากให้มันไปคิดไปมีเรื่องมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นถ้ามีเราควรที่จะหยุดมันควรควรภาวนาต่อถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อถ้า ถ้าเราพุทโทรก็พุทโทรต่ออย่าไปตามรู้เรื่องเราต่างๆที่จิตมันผลิตขึ้นมาภายในใจเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาในลำดับต่อไป ถ้าใจเราปล่อยวางมันได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรรา่างกอยถ้าใจเราไม่ไปทุกข์ไม่ไปวุ่นวายกับเขา เ, เป็นอุเบกขารู้เฉยๆอันนี้ก็ใช้ได้คื อ, อเป้าหมายก็คือต้องการให้ใจปล่อยวางทุกอย่างนั่นเองอให้อยู่กับทุกอย่างได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดสุข ก, ก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ ควจะทำสมาธิให้มากๆ ก, กควรจะให้สงบมากๆอย่าเพิ่งไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสมาธิเพราะมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อาการมาเจริญปัญญามามาดับกิเลสให้สงบให้ว่างให้เป็นอูเบกขานานๆบ่อยๆจนชำนาญเข้าต้องการเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้เข้าได้อย่างรวดเร็วอย่างเงี้แล้วพอออกมาก็คอยดูรู้ คอยดูใจว่าไปอยากกับเรื่องอะไรหรือเปล่าอยากก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาตัดเข้ามาตัดไปเรื่อยๆห่วงลูกก็ต้องตัดห่วงพรรยาก็ต้องตัดห่วงงานก็ต้องตัดห่วงร่างกายเราก็ต้องตัดอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ทุกข์กับใครต่อไป เราต้องฝึกไว้ก่อนแต่วันนี้ไม่ทันเราก็ต้องมาซ้อมทับการบ้านก่อนแสดงว่าตอนนั้นเราสอบตกไปแต่เราก็จะเตรียมตัวไว้สำหนับเจอมันข่าวหน้าด้ยการพอออกจากสมาธิมาแล้วก็พยายามเพ่งดูอสุภะอยู่เรื่อยๆพิจารณาดูอาการที่ไม่สวยไม่งามที่น่าขยะขยังต่างๆของร่างกายอยู่เรื่อยๆให้มันจําให้ได้พอจําได้แล้วเวลาเกิดการบัลลมขึ้นมาก็ดึงมันออกมาได้ พอเดึนออกมาได้มันก็จะดับการมลลมได้นี่สแสดงว่าเรายังไม่ได้ทาการบ้านไงเรายังไม่ได้เจรณาสุภาพอเจอเกลมามลลมขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้ก็เหมือนกันเราต้องนึกถึงสภาพของอาหารเวลาอยู่ในปากบ้างเวลาอยู่ในท้องบ้างเวลาออกมาบ้างทุกครั้งเวลาจะรับประทานอาหารนึกถึงวงจรของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป มันไม่ได้อยู่ในสภาพที่อยู่ในจานตลอดไปพอมันเข้าไปในปากแล้วเป็นยังไงเคี้ยวกันแล้วบ ด, ดกันแล้วผสมกับน้ำลายแล้วคายออกมาแล้วตักเข้าไปกินใหม่ได้เปล่าถ้าอยากจะดัดมันอร่อยนักหรยอไหนคายออกมาดูห น, น่อยดิว่าตักก็ไปใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าการเจริญอาหารเลยปฏิกู ล, ลสัญญาอันนี้เป็นวิธีต่อสู้กับความอยากในอาหาร ได้มานานุสติก็ช่วยดับความโลภดับความอยากได้เอพระเจ้าถึงสอนพระอนุนให้เจริญมานานุสติทั้งวันเลยนเนื่องจากว่ามันเป็นยาแรงไม่กล้าสอนคนทั่วไปเพราะคนทั่วไปนี่พูดถึงความตายคําเดียวก็ถอยแนละ้ะเขาคิดว่าเป็นอภิมงคลละบางบ้านนี่เขาไม่ให้พูดถึงคํานี้เลยให้เลี่ยงใช้หายใจไม่ออกบ้างไม่หายใจบ้าง แต่ไม่ยอมใจกรรมเราตายแต่ที่หลักปัญญาที่แรงมากแต่ถ้าเรากินได้แล้วกินเลยมันจะตายอย่างรวดเร็วเลยโลคอยากได้อะไรพอบอกจะตายแนั้นหายเลยหา ย, ล ย, หายโลคเลยอย่างเช่นไปหาหมอแล้วหมอบอกเหเลืออีกสามเดือนเนี่ยดูได้ว่ายังอยากจะไปเที่ยวรึเปล่ายังอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่รึเปล่ามันไม่อยา ก, กแล้วล่ะทีนี้มันอยากจะทําบุญอย่างเดียว ถ้าเราเจริญมานันุสติได้ทําไปเลยอันนี้ดีที่สุดนยาแรงแต่ถ้าไม่ระมัดระวังมันก็จะทําให้สแสดงได้บางทีทําให้อยากจะฆ่าตัวตายได้เพราะคิดถึงว่าไหนจะต้องตายแล้วก็ฆ่าตัวตายไปเลยไอ้อย่างนี้ก็ผิดอีกละการฆ่าตัวตายก็บาปนีกเราเจริญมา น, านันรสติไม่ใช่เพื่อจะมาฆ่าตัวตายเรามาฆ่ากิเลสต่างหาก มาฆ่าความโลภความโกรธต่างหากถ้าเราไปฆ่าตัวตายก็แสดงว่าเราบ้าแล้วเราหลงแล้วกินยาผิดขนาดแะ้ก็ต้องพรถ้าถึงที่ถึงขนาดนั้นก็ต้องกลับมาแผ่เมตตาสาพัพเพสัตตาแผ่เมตตาให้กับตัวเราให้อยู่อย่างมีความสุขอย่าไปฆ่ามันนนั <ği> ได้ อ, อ, อ, อถ้ากายถ้ากายถูกเจเริญกับ มอนานุสตินี้แสดงว่ามีธรรมะมีมียาแรงสามารถใช้ดับปัญหาต่างๆได้เยอะเวลามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายวะแค่นี้ปัญหาต่างๆมันก็หายไปหมดแนละมีนี่จะใช้เขาไม่ได้อย่างมากก็แค่ตายตายเขาก็ไม่มาเอาแล้วติดคุกก็ยังไม่ตายใช่ไหมถ้ามมีนมีน่ไม่มีเงินจ่ายเขาเขาจับไปขังคุกก็ยังมีข้าวฟรีกินมีบ้านฟรีอยู่ก็ยังดีกว่าตาย แต่ตายเราก็ไม่กลัวเพราะเรายอมรับว่าสักวันก็ต้องตายอยู่ดีเน่ยถ้าเราสามารถคิดถึงความตายได้เราจะดับความทุกข์ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าตัวตายค่าความอยากค่ากิเลสครับนั้นเองไม่จะเลยมอเรนะัมติบ่อยๆเนี่ยทุกวันทุกวันจิตมันห่อเยี่ยวใช่เพราะเราไม่เรามัญญาแรงเกินไปสําหรับเราเนี่ยถึงถึ ง, ถ, งถึงบอกไม่ให้ใช้กับทุกคนไง พูดถึงคนที่ใช้ได้ก็ใช้ถ้าถ้ามีสมาธิเราจะใช้ได้หรือถ้าเคยเจริญมามากแล้วในอดีตพอเห็นความตายแล้วมันจะมันไม่ห่อเหี่ยวมันเหมือนกับปลาได้น้ำเลยอย่างเราเนี่ยตอนที่ตอนเด็กๆอายุสักสิบสองขวบมีเพื่อนที่โรงเรียนจม น, น้ำตายแล้วเราต้องไปงานศพเขาไปดูศพเขาเขาเป็นคลิสเตียเขาเปิดให้ดูศพ พอดูแล้วแทนที่มันจะกลัวมันกลับพิจารณาแล้วว่าทุกคนมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยว่า ม, มันไม่ห่อเหี่ยวมันกลับเตรียมตัวเตรียมใจคิดถึงคนนั้นคนนี้ที่เราลักเลยว่าต่อไปพ่อแม่เราก็ต้องตายปู่ย่าตายายก็ต้องตายคิดไปหมดเลยเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้เลยอันนี้มันอาจจะเป็นบุญเก่าเคยพิจารณามาแล้วเคยถูกสอนให้เจริญมานานุสติมาแล้ว มันจึงไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือห่หอเหี่ยวหดหูใจได้อย่างใดแต่ถ้าไม่เคยถูกสอนให้พิจารณาความตายให้คิดแต่ความจเจริญอย่างเดียวคิดจะจะไปอยู่ไปนานๆพอคิดถึงความตายโอ้โหมันเหมือนกับช็อคเลยย่างถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปฝืนมันเอาทีลเเล็กเทียะน้อยคิดนิดๆหน่นนอยๆเหมือนกับเอาเอากทนที่จะ กินมันทีทั้งขวดก็เอาแค่จิบสองจิบก่อนตนกว่ามันจะถ้ารับไม่ไหวก็หยุดแล้วก็มาใช้อานาปานสติก่อนก็ได้ใช้พุทโธก่อนก็ได้แสดงว่ามันไม่ถูกเจริตกับเรากรรมฐานเนี่ยท่านถึงมีมีอยู่หลายชนิดอนาปานสติก็สําหรับจิตที่เขาเรียกโมหะเจริตเออ ถ้าพุทธโธก็สําหรับศรัทธาจริตคนที่เชื่อคนที่เขารบชอบเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้เจริญพุทธโธะคนที่มีการมาราคาก็ให้เจริญอสุภะคนที่ถ้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวค่อยสดชื่นอ่าพออยู่มรณะรู้เนี้ยทำไป่ไหลายหลเดือนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถูกกับเราไม่ถูกกับเราเราก็ต้องใช้พุทโธไป ถ้าเราเป็นศรัทธาจริตถ้าเราเป็นปัญญาหรือพุทธิจริตเนี่ยแ่ะพวกนี้ชอบของจริงออถ้าเอาสุภาพนี่ชอบถ้าความตายนี่ชอบเลยเห็นของจริงแล้วมันทําให้จิตสงบจิตเย็นจิตสบายอันนี้ก็ต้องดูจริตของเราแต่ไปดูของจริงก็ดูได้ไงก็ชอบอยู่วลาก็เปิดลงศพอะไรแต่ถ้าไปเห่งอยู่ทุกวันทุกวันแล้วมันเบิ่อหน่า ก็ต้องเอาพอประมาณหรือวเอาไว้เอาไว้ใช้ตอนที่มันเกิดความโลภมากๆให้คิดถึงนั่นบ้างมันจะได้มันจะได้ตั ด, ดความโลภลงได้ก็ต้องรอให้มันเกิดโรคก่อนค่อยกินยาอย่าไปกินยาตอนที่ไม่เป็นโรค ม, มีใครจะถามอะไรอีกไหมไม่มีก็อีกคำ อยากจะถามใรื่องคำทำนายที่พุทธเจ้าเนี่ยอย่ที่พระอะไรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะที่สิบหกข้อเอันนี้เราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้รู้เห็นมันเกิดขึ้นแล้วนะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยอายุแค่สิบขวบเนี่มีลูกได้แล้วใจจิตจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจิตพราะเพราะวทยาศาสตรก็ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของกิเลสไงทุกกิเลสเรามาใช้เป็นเครื่องมือทั้งนั้น เราไม่เกิดการว่าตัณหาแรงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่มีศีลธทําไม่มีศาสนาแล้วความโลภความโกรธความหลงความอยากมันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนที่ไปหาวัตถุต่างๆที่แสดงว่าห่ารไกลจากศาสนานี่บ้าบอกว่าพัฒนาขึ้นมากอายุคนยืดยาวแต่ศาสนานี่บอกศาสนาจิตใจคนเสื่อมเนี่ยยะสั้นต่อไปจะเป็นเมกยุคเมกขสันยี ทุกคนจะพกอาวุธทุกคนจะเป็นเหมือนกับว่าต้องดูแลปกป้องทรัพสมบัติของตนเองทุกคนจะพอใครโผล่มาในบ้านก็ยิงใส่เลย <c oughs> อืออกไปข้างนอกก็ต้องพกอาวุธนะจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งบางประเทศก็เป็นนะประเทศที่ไม่มีาศาสนาเนี่ยเ <c oughs> ขาจะเป็นอย่างนั้นกันถ้าความคิดคนนี่กลับเห็นผิดเป็นถูก อ, อะไรคงจะเป็นดอกบัวก็ดูแล้วก็เริ่มขึ้นกันเยอะอ่านั่นแหละ แล้ต่อไปเขาจะฆ่ากันตายหมดเลยคนดีนี่จะไม่อยู่กับไม่อยู่ในบ้านในเมืองจะหลบนีไปอยู่ตามป่าตามเขากันพอคนในเมืองฆ่ากันตายหมดแล้วคนที่อยู่ในป่าในเขาก็จะออกมาสร้างสังคมใหม่มารักษาศีลกันใหม่มาปฏิบัติธรรมกันแล้วต่อไปก็จะมีพระสีอานมาตัดจชั่ววูบก็เป็นกลับเนาะไม่ใช่เมือนเะนี่ยเป็นกลับเอ <laughs> อย่าไปกังวลเลยกังวลแค่ชีวิตนี้เราก็พอทนคบบบวาม่บางตอนบางครั้งที่ท่านอาจารย์พูดว่าใช้พุทโแลบางครั้งท่านอาจารย์ใช้ลมหูกอยากทราบว่าช่วงไหนท่านอาจารย์ใช้ความจริงเราไม่ได้ใช้พุโทโธเลยตอนที่เราศึกษามานี่เราใช้สติปัฏฐานสี่เราดูลมหายใจตอนนั่งสมาธิ เวลาออกจากนั่งสมาธิเราจะใช้ดูร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกอิริยาบทส่วนใหญ่เราจะทําเป็นหลักอย่างนี้ในเบื้องต้นตามที่เรานั่งสมาธิใหม่ๆถ้าดูลนไม่ได้เราก็ท่องสูตรพระสูตรสติปัฏฐานสูตรไปทั้งพระสูตรเลยใช้เวลาประมาณสามสิบสี่สิบนาทีด้วยกันพอท่องไปแล้วมันเหนื่อยมันก็อยากจะหยุดแล้วก็ดูลมต่อได้อันนี้เราใช้ แล้วเวลาที่นั่งแล้วมันเจ็บปวดแล้วก็อยู่ๆมันก็ท่องอันนี้จังขึ้นมาอันนี้จังอันนี้จังไปเรื่อยๆใช้บริกรรมอันนี้จังไปแทนที่เราใช้พุโทโธเพราะว่ามันเหมือนกันเพราะคนส่วนใหญ่เขารู้แต่เรื่องพุโทโธเราก็เลยไม่อยากจะพูดเรื่องของเรารู้พูดเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้สอนคนซึ่งเหมือนก็เป็นคําแทนกันได้จะใช้พุโทโธก็ได้จะใช้อันนี้จังก็ได้จะใช้การสวดมนต์ท่องคาถาไปก็ได้ จะใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้มันมีหลายวิธีฟังแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เลยโดยหลักก็คือเราจะมีสติเวลาเคลื่อนไหวออกจากไม่ได้นั่งสมาธิเดินจยกลมแล้วก็จะดูเท้าเราซ้ายขวาซ้ายขวาไปเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาทำกิจกรรมก็ให้อยู่กับกิจกรรมเดินบินบาตก็อยู่กับการบินตบายฉันก็อยู่กับการฉันทาอะไรก็ให้อยู่กับงานที่กาลังทาอยู่ พอนั่งสมาธิก็ดูลมไปหรือถ้าดูลมไม่ได้ก็ท่องสติปัฏฐานสูตรไปแล้วพอได้สมาธิแล้วทีนี้ออกมาก็จะเจริญปัญญาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาอสุภะอะไรไปแต่อสุภะนี้พิจารณาตั้งแต่วันบวชแล้วเพราะถูกสอนให้พิจารณา เป็นผ้านี่ต้องพิจารณาอาสุภะถ้าไม่สุภะแล้วเดี๋ยวมันผ้าเหลืองมันจะร้อนจะอยู่ไม่ได้ก็พิจารณาไปบางทีเดินจงกรมก็พิจารณาอาสุภะไปนเอาแล้วนะกีฬาสมควรแต่เวลาแล้วอคอยตัวกรรยานปฏิบัติไปนะเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกวันนะใครคิดอย่างนี้เราจะได้มีความเพียรกัน ขอภายเรื่องเสียงด้วยนะนี่ไม่อยากจะหยุดเขาเพราะหยุดแล้วมันไม่เสร็จสักทีนี่ทํามาตั้งหลายเดือนนะก็เลยอยากให้เขาดุยให้เต็มที่ขอเพิช่วงโรงเดียวตอนนี้ขอขอสองนะให้สังติล้ค่ะเพราะช่วงหนังนี่เราคุยกันก็ไม่เป็นไรพอพอพอรับได้พอทนได้ พระเช <si suppression> ้าดัดดัดลูกสาดีไหมลืมไปข้อคนบอหนูไม่รักเขาตะโกนตะกนมรักมเกี่ยวอเรา่ะอยกาเองเรารเขาอยู่แล้วก็รู้เเอต้องดัาอย่าให้เขาดัเราาพยายามดัเราทุกย่างเมก่อนเาทนานท่านว่าท่าน คืว่ารูปหมบนี้รู้เชื่องใจมันจะถึงเมื่อแรก